ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตปะปัพระปุพระสิกขาและปุพพสิกขาวันนานาพระอมาราพิรคิตะอมตรเกิดวัดบรมนิวารจนาข้อสี่ว่าด้วยกาลิกกาลิกมีสี่คือยาวกาลิกหนึ่งยามะกาลิกหนึ่งสัตตาหกาลิกหนึ่ง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 ถ้าทําให้เป็นอันโตวุฒะคือเก็บไว้ในที่อยู่เก็บไว้ในอากขปยะคุดีเป็นอันโตปะกะคือให้ตกในอากขปยะคุดีเป็นสามะปะกะคือให้ตกเองฉันเป็นทุกกฎะฉะนั้นยาวะกาเล็กเหล่านี้ถ้าเอาไปเก็บในอากขปยัคคดีเก็บในที่อยู่ที่เป็นสาสยะที่นอนที่มุงที่มังเดียวกันเนี่ยนะ ก็อาไปเก็บไว้ในที่อยู่เป็นอณตรุตตะฉันก็ไปต้องบัตทุกดถ้าทําให้สุกภายในที่อยู่ใครจะทําก็ได้แต่สุกในที่อยู่นั้นก็เป็นอนโตปะฉันก็ไปต้องบัตทุกดเหมือนกันถ้าทำให้สุกเองด้วยก็บัตทุกกฎอีกเป็นสามัคคีปะปัะแปดคือน้ํามะม่วงน้ําชมพู่น้ํากล้วยมีมเมล็ดน้ํากล้วยในมเีเมล็ดน้ําลูกมะซางน้ําลูกอั ง, งุ่นน้ํารากปัวน้ําลิ้นจี่ กับทั้งผลไม้เป็นอนุรมเป็นยามะกาลิกอนุสัมบันญทำไม่ให้สุขด้วยไฟรับประเคณแล้วฉันได้วันหนึ่งวันหนึ่งคือหนึ่งชั่วยามสุดท้ายเทกว่ายามกาลิกพวกน้ําผลไม้น้ํำปนะคนนั้นไปฉันเป็นทุกกดถ้าเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วเอามาฉันอีกต้องบมาทุกกดเพศตัดทั้งห้าคือเนยใสหนึ่งเนย้นหนึ่งน้ำมันหนึ่งน้ำผึ้งหนึ่งน้ำอ้อยหนึ่ง เป็นสัตว์ตาหากาลิกรับประเคนแล้วฉันได้เจ็ดวันเกินไปเป็นนิสสกีฉันต้องบัตรทุกกดถ้าเกินเจ็ดวันไปต้องบรปจิตตีนิสกียะปจิตีต้องสละเสียแต่ว่าเจ้าเอามาฉันก็ต้องบัตรทุกกฎอีกขมิน้นขิงว่านน้ำว่านกระ อ, อุตพิษคาแฝกแฮวห ม, ว ม, ม, มูน้ำฝาสดสเดาน้ำฝาดมูกมันน้ำฝาดกระดอมน้ำฝาดบารเพชร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 เมื่อมีปัจจัยฉันได้ในการทั้งปวงรับประเคนครั้งเดียวก็ฉันได้ตลอดชีวิตเลยนะเมื่อมีเหตุป่วยไม่สบายก็พวกนี้เป็นยาการลิกสี่อย่างนี้ไม่รับประเคีนก่อนแล้วฉันเป็นปาจิตีการลิกนี่เป็นสิ่งที่ต้องรับประเคียนถ้าไม่ได้รับประเคีนก่อนฉันระบาดปาจิตีส่วนน้ําไม้สีฟันพ้นจากการลิกสี่เป็นการลิกวิมุตสําหรับน้ํากับไม้สีฟันไม่ต้องรับประเคีน ทันได้โดยที่ไม่ต้องตับเคียนมาถึงน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเจือสีเจือฝุ่นมีอมิตรไม่ได้การิศปรับบังนิติตังเรื่องการิศจบข้อห้าว่าด้วยพินทุอธิษฐานวิจับและปัจจุทรผ้าใหม่ไม่ได้พินทุด้วยของเขียวแลตมแลของดำกรบริโภคเป็นปาจิตตีพินทุว่าตามท่านสอนสืบมาดังนี้ อิมังพินทุกับตังกรโรมิพิกตุเมื่อจีวรการสิ้นแล้วไว้อติเรจีวรคือผ้าไม่ได้อธิษฐานวิกับว่างสี่นิ้วยาวแปดนิ้วพระสุคตขึ้นไปให้เกินสิวันเป็นนิสกิยะปาจิตตีถ้าจีวราการสิ้นแล้วไม่ได้กรนกันกฐินหรือว่ากรันกฐินก็แล้วแต่จีวราการสิ้นไปนแล้วก็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 ถ้ารองนั่งว่าดังนี้อิมังนิสีดานังอธิฐามิถ้าเช็ดปากเช็ดหน้าว่าดังนี้อิมังมุขะปุญชนะโจลังอธิฐามิถ้าอาบน้ำฝนว่าดังนี้อิมังวสิกะสาติกังอธิฐามิถ้าปิดฝีว่าดังนี้อิมังกันดุปฏิชาดิงอธิฐามิถ้าบริขารโจรว่าดังนี้อิมังชีวรังปาริขาระโจรังอธิฐามิไหลผืนว่าดังนี้ อิมานิจีวรานิปริธาระโจรานิอติธามิภาคูนอนว่าดังนี้อิมังปัจจัตตาระนังอติธามิหลายผืนว่าดังนี้อิมานิปัจจัตตารานิอธิธามิถ้าอยู่นอกคตบาตให้ว่าเอตังเอตานิแทนอิมังอิมานิส่วนการถอนอติฐานว่าดังนี้อิมังสังคาติงปัจจุธรามิอิมังอุตรัสังกัง อันตรวาสกังนิตีดนังวาสิกะสาติกังการตุปฏิชาดินปริขารโจรั ง, ป, จจรงปัจจัทรนังปัจจุทธรามิหลายถื่นก็ว่าดังนี้เอตานิปริขารโจรานิปัจจัทรนานิปัจจุทธรามิถ้าจะเก็บไว้อย่างอธิษฐานให้วิกับแกชะธรรมิทั้งห้าที่ชอบกันว่าดังนี้อิมังชีวรังตุยหังวิกับเปมิหลายถื่นว่าดังนี้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 หลายผืนว่าดังนี้อิมานิจิวรานิไมหังสันตาการนิปาริพุนชวาวิจตเชหิวายะถาปัจยังวาการโรหิถ้าท่านแก่กว่าก็ให้ว่าปาริพุนชทาวาวิจัตเชทวายาถาปัจจยังวากะโรทะที่ตุไว้อัตเรกบาทคือยังไม่ได้อธิษฐานวิจับให้เกินสิบวันเป็นนิสักยปัปปะจจิตีบาทนี้ก็ แต่ยังไม่ได้อิจฉบาทที่สามารถอิจฉาได้เก็บไว้เกิดสิบปันก็ต้องนิสกิยาปิจตีเหมือนกันอธิษฐานบาทว่าดังนี้อิมังปัตตังอธิษฐานมิจะเก็บไว้ให้วิกัพว่าดังนี้อิมังปัตตังตุยหังวิกัพเตมิหลายใบว่าดังนี้อิเมปัเตตุยหังวิกัพเตมิบาทวิกัพไว้แล้วไม่ให้ผู้รับถอนวิกัพเอามาบริโภคเป็นทุกข์กด ผู้ถอนวิกัตให้ว่าดังนี้อิมังปัตตังไมหังสันตะกังถ้าบาดหลายใบก็ว่าดังนี้อิเมปัเตไมหังสันตะเกตะริพุญเชวาวิสัชเชหิวายถาปัจจยังวากะโรหิพินทวาทิฐานาทิปัพังนิตติตังอันนี้ก็เรื่องของพินทุอธิษฐานวิกัตปัจทอนก้อที่หกว่าด้วยขาดอธิษฐานเป็นต้น ถ้าแลบาดขาดอดิษฐานด้วยเหตุก้าอย่างคือให้เขาเสียหนึ่งโจรชิงเอาไปเสียหนึ่งเขาถือเอาโดยวิสาสะหนึ่งหมุนไปเป็นคนเลวคือถือเพศขัดหนึ่งหมุนีปเป็นคนเลวนี่คือพวกเขาเรเียดเดียร์ทีแล้วก็ลาสิขาหนึ่งตายเสียหนึ่งเพศกลับหนึ่งปัจจุทอนคือถอนเสียหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทะลุหนึ่งช่องทะลุนี้ได้ในตรจีวรและบาด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 ได้หัตถบาทคือวัดตั้งแต่ส่วนข้างหลังไปถึงตัวผู้ให้เว้นแต่มือที่ยื่นประเคนเสียให้ได้สองศอกคืบหนึ่งนี่เป็นองค์ที่สองน้อมเข้ามาน้อยหนึ่งมีการน้อมเข้ามามีวิญยัตแสดงอาการกายวิญยัตมาหนึ่งเทวดาหรือมนุษย์หรือเดรัจฉานให้ด้วยกายหรือด้วยของเงื่อด้วยกายหรือว่าโยนให้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในหัตถบาทนะอีกหนึ่งเทตุรับด้วยกายหรือว่ารับด้วยของเงื่องด้วยกายหนึ่งอันนี้ก็ วิชะอนาฏิป บ, บังนิทิตังเรื่องการขาดอธิฐานเป็นต้นข้อที่เจ็ดว่าด้วยสัแดงอาบัตเป็นต้นการแสดงอาบัตอาบัตที่ถุกแกล้งต้องแล้วเป็นอานาวีติกรมันตรายิกะก็คือเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลและก็สวรรค์ด้วยอ่อนพึงสัแดงดังนี้ว่า อะหังพันเตเอกังทุลจะยังอาปัตติงอาปันโนตังปิ ด, ดเดเซเมิครัแต่ท่านผู้เจริญครับเจ้าต้องอาบัติทุลใจหนึ่งตัวครับเจ้าขอแสดงอาบัตนั้นผู้แก่กว่าก็ถามว่าปาสสิอาวโุโสท่านเห็นหรือก็รับว่าอามะพันเตปัสามิครับเจ้าเห็นอยู่ท่านผู้เจริญผู้แก่กว่าก็ว่าอายติงอาวโุโสสังวรยติท่านบอกว่า ดูกรอนูมิอายุขอให้ท่านจงระวังสำรวมต่อไปขอรับว่าสาธุสุตถุพันเตสังวริสสามิเีระขอรับผมจะระวังสำรวมต่อไปสามครั้งอะหังพันเตเอกังนิสักียังตาจิตยังตาจิติยังดุกตันดุภาสิตังอาปาติงสังปฏิเดเสนีก็แสดงตั้งแต่บัณฑิสักยปะจิตีหรือว่าปาจิตีหรือว่าทุกกฎไปตามลำดับก็แปลว่าครับเจ้า ต้องอาบัตทุดรจัตัวหนึ่งข้าเจ้าแสดงอาบัตดนั้นแก่ท่านผู้แก่ปก็ถามว่าท่านเห็นแน่หรือรับว่าข้าพเจ้าเห็นอยู่ผู้แก่ว่าท่านพึงสํารวมระวังต่อไปรับว่าข้าเจ้าจับสารวมด้วยดีละถ้าหลายตัวก็ว่าดังนี้อหังพันเตสัมบหุลาทุลจยายโยอาปฏิโยอาปนโนตาปฏเดเสมิผู้ที่เขารับเขาก็จะถามปัตติอวุโตะมะพันเตปสาณิ อาจจะติเอาโต่ทรงริยะติสาธุสัตตุพันเตทรงอริสามีสาธุสัตตุพันเตทรงอริสามิทุสัตุพันเตทรงอริสามิอะหังพันเตสัมบัคุลานิสักขิยาโยปาจิตติยาโยหรือว่าปาจิตติยาโยสุติกรทุกตาโยหรือว่าทุพาสิตาโยถ้าบัตรหลายตัวเนี่ยอ่าปฏิโยอปันโนตาปฏิเดเสนิแล้วก็ผู้ที่เคารพบัตก็แสดงเหมือนเดิม ถาอาบัติมีวัตถุต่างๆกันก็ว่าดังนี้หมายถึงว่ามีหลายวัตถุส้ำบัติหลายตัวหลายวัตถุด้วยนะอาหังพันเตสัมบาหุลานานาวัตถุกายโยทุลัจจะญาโยนิสักยาโยปาจิติยาโยปาจิติยาโยทุกตาโยทุกพาจิตตาโยอาปันโนตาเป็นดีเตมิกับปัสติอุโตอามะพันเตปัสสามิอาจิตเอาโตสังไรยาสีสาธุตุพันเตสังไรตามิสามครั้ง ถ้าแำแดงกับผู้อ่อนกว่าก็ให้ว่าอาวุโสถ้าสงสัยก็ให้ว่าดังนี้อสงสัยนี้ไม่ต้องแสดงอาบัตนะแสดงความสงสัยแทนอ้างทันเตเอกิสาทุลละเจียยายะอปาติยาเวมาติโกยดานิเบมาติโกภวิสตามิตดาตังอปาติงปติกริสามิแปลว่าข้าพเจ้าสงสัยในอาบัตทุลละใจตัวหนึง่งคราวใดไม่สงสัยคราวนั้นจักทําอาบัตนั้น อาบัตนั้นก็ให้เปลี่ยนชื่อใส่ที่บทถุรัจัยถ้าเป็นอาบัตตัวอื่นถ้ามากตัวก็เป็นถูพสธรรมาเพราะว่าอย่างนี้อหังพันเตสั้างปาหุลาตุทุลเจยาตุอาปาตีตุเวมัตติโกยาดานิเบมัตติโกพวิสามิตดาตั้งอาปติงปฏิกริสามิเทตุ สำแดงหรือรับสภาคาบัตรเป็นทุกกฎถ้าแสดงอาบัรก็ดีหรือว่ารับอาบัตรที่เป็นสภาคาบัตรก็ ต, ต่างคนรต้อบัตทุกกฎถ้าทำอุโบโสถป ร, รณาอยู่ระลึกอาบัดได้ให้บอกดังนี้อาหังพันเตเอกังทุละจะยังอาปติงอาปันโนอุโตอุทะหิตวาตั้งอาปติงปฏิกริตามิแปลว่า ข้าพระเจ้าต้องอบาททุรจตใจตัวหนึ่งแล้วลุกจากที่นี้จากทางคืนอบาตนั้ น, นก็ไม่ต้องไปแสดงในท่มามกลางที่แสดงอุโบสถที่กระทําสวดปฏิโมกย์อยู่สวดปฏโมกเสร็จแล้วค่อยออกมาแสดงข้างนอกแต่ว่าต้องสะกิดบอกเพื่อนเอาไว้ถ้าสงสัยให้ว่าดังนี้อาหังพันเตเอกิสาทุลัจยายะอาปติยาเวมาติโกยดาณิเบตมะอิโกพวิสามิตาดาตังอาปฏิงปฏิกริสามิ ให้ประกอบชื่ออาบัตอื่นตามตัวเดียวหรือว่ามากตัวและวัตถุต่างๆเทินเทศนานิติตานี่ก็เป็นเรื่องการแสดงอาบัตย่อๆยๆว่าโดยอุโบสถอุโบสถว่าโดยวันมีสามคือวันที่สิบสี่ข้าที่สิบห้าข้าหรือว่าวันที่สงแตกกันแล้วก็ประชุมกันได้เรียกว่าวันสามัคคีวันทอมเพียงเมื่อว่าโดยอาการก็มีสามคือสุดตุดเทศอุโบสถสุดสวดปฏิโมก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 แต่สี่องค์ขึ้นไปเป็นสงพึงตั้งยติและปาธิโมกแต่สามองค์ชั่วคณะผู้ฉลาดพึงตั้งคณะยะติอย่างนี้ว่าสุนันตุมเมอาสัมมันตาอาชุปโปสโธปั น, นารโตตาสิบสี่ข้ามก็เป็นจตุดโตยาดายสมันตานังปะตะกัลลังมะยังปาริสุทธิอุโปสถทังกะเรยามะอันนี้ก็เป็นคณะอุโบสถ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 ปริสุทธโธอาหังอาโสปริสุทธโธติมังธาเรหิถ้าสององก็ไม่ต้องตังยติผู้แก่บาปพุทธาดังก่อนบอกว่าปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรหิสามทีผู้หนุ่มก็ว่าปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรหิปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรทะถ้าอยู่องค์เดียวก็ถึงวันอุโบสถข้าพุทนั่งคอย ถ้าพิสุอคตุกะไม่เห็นมาแล้วนั่งคอยอคตุกะมีมาไหมไม่มาก็พึงอธิษฐานว่าอัจุโป โ, โทปนาตโตติอธิษฐานมิถ้าสิบสี่ขั้มว่าอัจุโปโทจะตุตโตติอธิธามิาาาามในอุโบสถทั้งปวงต้องทำบุกรมีการกวาดโรงอุโบสถเป็นต้นก่อนแล้วจึงทำถ้าบอกปริสุดในสงก็ให้ว่าปริสุโทโธอหั่ง พันเตปริสุโทโธติมังสังโคทาเรตุปริสุธโทอังพันเตปริสุธโทติมังสังโคทาเบตุสามครั้งั น, นี้จะเป็นเรื่องของอุโบสถจะว่าด้วยข้าวพรรษาข้าวรรษามีสองคือปุริมิกาข้าวภรษาที่แรกข้าวภาษาต้นในวันแรมข้ามหนึ่งเดือนแปด ปัจฉานิกาข้ารรษาที่หลังในวันแรมค่ำหนึ่งเดือนเก้าอธิษฐานอยู่ในกุฏิแต่ผู้เดียวว่าอิมัสหนิงวิหาเรอิมังเตมาสังวะสังอุเปมิสามครั้งตรึงทำแต่อารยว่าเราจะอยู่ในที่นี้ก็ได้ข้ามันดิษฐานข้าภาษาพร้อมกันว่าดังนี้อิมัสหนิงอาวาเซอิมังเตมาสังวะสังวะสามิสามครั้ง พึงชำระเศนาสนะและตั้งน้ำฉันน้ำใช้และทำสามิจกรรมก่อนจึงอภิฐานเข้าปัรษาอันนี้ก็วัตถุปานายการมิจิตาเรื่องการเข้าปัรษาจะว่าด้วยปรวราณาปรวราณาก็มีเก้าเหมือนอุโบสถแต่ห้าองค์ขึ้นไปชื่อวสงค์ผู้ฉราดพึงตั้งสังขยติว่าสุมาตุเมพันเตตั้งโข อาชาปวารณาปันนรสียดิสังคสสะปตะกัลังสังโคเตวาจิกังปวารยะแล้วผู้แก่พึงทางผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวว่าสังคังอาวุโสปวารมีมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวาดันตุมังอาสัมมโตอนุกัมปังอุปาดายะปาสันโตปติกริตามิ ตุติยปีอาวุโสสังขังปวารมิตติยปีอาวุโสสังขังปวารมิดิเทนวาุเตนวาปริสังกายวาวดันตุมังายสมัมโตนุกรมปังอุปาดายาปัสันโตปฏิกริสามิผู้อ่อนก็พึงทำผ้าผมฉวยบาข้างหนึ่งแล้วก็นั่งยองก็นมือกล่าวเหมือนกันแลกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพันเตนถ้าสีองค์สามองค์ชื่อว่าคณะ ผู้ชาราพึงตั้งคณะยติในปรนนานี้ก็ตั้งว่าตุนอนตุเมันเตอายะสันโตหรือว่าอายสมมันตาตัชปะวะรนาปนรารตียดายาสมันตานังปตะกลัลังมะยังอัญญะมันยังตวาริยามะและผู้แก่พึงทำผ้าห่ามเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวว่า อาหังอาวุโสอายสมันเตปวาเรเอมิดิเทนาวาตเตนาวาปริสังกายาวาวาดันตุมังอยยสมันโตานุกรมปังอุปารายะปัสสันโตปิิการิสา ม, ทมิทุติยมปิตติยมปิก็เหมือนกันเป็นการปรวนากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยความกระทําผิดได้เห็นได้ได้ยินหรือว่าด้วยความสงสัยก็ดีอนุเคราะห์ใครมีปรนนานุเคราะห์ก็ช่วยว่ากล่าวตักเตือนกันเป็นวิธีการที่ดีมาก ผู้หนุ่มก็พึงทำดังก่อนกล่าวเหมือนกันแปลกต่ว่าให้เปลี่ยนอาโุโสเป็นทันเตเท่านั้นถ้าอยู่สององค์ไม่ต้องตั้งยติผู้แก่พึงทำดังก่อนก็กล่าวว่าอหังอาวโุโสอายัตสัมตังปวารเเรมิอเทนวาสุเตนวาปริสั้งกายวาวะดันตุมังอายัตมะอนุกัมปังอุปาดายปะปัสสันโตปจิกเรสซามิดุติยัมปีตติยัมปิก็เหมือนกันผู้หนุ่มก็พึงทำดังนั้นกล่าวเหมือนกันแปลแต่ว่าเปลี่ยนเป็นทันเตเท่านั้น ถ้าอยู่องค์เดียวถึงวันปรณาพึงคอยอาคันตุกะไม่เห็นมาพึงอธิษฐานว่าอัจชะเมประวรณาปันนารสีติอธิฐานิทิพาข้ามตัสติข้ามก็อัจชะเมปรวรณาจตุตสิยติอธิฐานิพึงทําอุปกรณ์มีกว่อโรมประวรณาเป็นต้นก่อนแล้วจึงทำประวณาต่อมทั้งปวงนี่ก็เรื่องปรณาจบจะว่าด้วยสีมา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 ปริสสมบัติและกรรมวาจาสมบัติชื่อว่าพัฏตสีมาอาพัตตสีมานั้นก็มีสามคือคามาสีมาอย่างหนึง่งสัตตพันตรสีมาอย่างหนึง่งแล้วก็อุดะกุกกะเขปะสีมาอย่างหนึง่งแดนบ้านแลนิคมเท่าใดที่สงไม่ผูกเป็นแดนสีมาที่ปุถเข้าอาศัยอยู่แดนบ้านแลนิคมนั้นชื่อว่าคามาสีมาสามารถที่จะทำสังฆกรรมได้แต่ามาิกษุที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นในเขตบ้านนั้นต้องมารวมกันทั้งหมด ในป่าที่ไม่มีบ้านโดยรอบเจ็ดอพันดรชื่อว่าสัตตพันตรักษีมาอั พ, พันดรนหนึ่งก็ยี่สิบแปดตอกยี่สิบแปดตอกสองตอกเป็นหนึ่งเมตรยี่สิแปดตอกก็เท่ากับสิบสี่เมตรเจ็ดอพันดรก็เลยเก้าสิบแปดเมตรโดยรอบก็ร้อยเก้าสิบหกเมตรสามารถที่จะเป็นสีมาได้ในป่าที่ไม่มีบ้านในแม่น้ําและชาติสัต์หมายถึงสต์ที่เกิดเองและทะเลในที่ชั่วสา์น้ําแห่งมัชชิมบุรุษโดยรอบหนึ่ง ชื่อว่าอุดะกุกกเขปะสีมาสีมาทั้งสามนี้มีถึงวาสเสมอกันร่วมกันมีอุโบสถอันเดียวกันก็ไม่ต้องผูกอภัสตสีมาสามารถทําอุโบสถสามารถทําสารกรรมได้เลยเทศนาที่ประปังอันนี้ไม่ใช่เทศนานี้ว่าด้วยเริ่มของสีมาเมื่อสีมาแล้วจบนี่เป็นสัตตภักุพัสติขาเดี๋ยวสิขาวันนานี้จะแสดงที่ระดับละเอียด สัตตปภ ะ, ะปุพพสิกขานิติตาปุพพสิกขาอะมะเรณนะนามายังเมสมานิตาสเทวะสั บ, บปานีนังกุสลาสาสมิสชตุจบสัตตปภ ะ, ะปุพพสิกขาเท่านี้อันนี้ก็เป็นการแต่งโดยย่อแต่ว่าปุพพสิกขาวันนา น, านี้ท่านก็จะมาแสดงรายละเอียดเริ่มตั้งแต่การพนานาพระรัตนตรัย พระพุทธประธรรมประสงค์พระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณอย่างละเอียดพอสมควรซึ่งจะเอาไว้ต่อในวันต่อไปก็ขอให้ตั้งสาธุชาวเนื้งหลายมีตัทธาเริ่มใสในพระธรรมนาตรายัยแล้วก็อบรมไตรจิกตาเพื่อที่จะกระทําการกำรหนัดรู้ทุกและสมุ ท, ทัยธรรมนิโรธที่แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์ไขพ้นจากว่าตาทุกทุกท่านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ